จเจลิญตอนท่านผู้มีจิตเมตากัญาใจบุญรณใจสดส ท, ทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสารที่10มีนาคมพุทธศักราช2555เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษา ความรู้ที่เป็นเหมือนแสงสว่างที่จะนำพาชีวิตให้ไปสู่ความสำเร็จให้ไปสู่ความสุขไปสู่ความเจริญไปสู่การสิ้นทุกข์ทั้งปวงมีความรู้ทางทพิทัศาสนาเท่านั้นที่จะเป็นความรู้ที่จะนำพาผู้ปฏิบัติ ให้ผุ้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้และให้พบกับความสุขที่สาวรได้การมาวัดเป้าหมายหลักก็คือก็อยู่ที่การมาศึกษาพระธรรมคำสอนโดวการทำบุญให้ทานการรักษาศีลการปฏิบัติธรรมนี้เป็นผลที่ตามมาจากการได้ยินได้ฟัง พอเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็ต้องนำเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติเพราะว่าถ้าเราเพียงแต่ศึกษาเพียงอย่างเดียวนั้นยังไม่พอเพียงต่อความสาเร็จได้เพราะความสาเร็จนั้นจะต้องเกิดจากการปฏิบัติตามทฤษฎี ตามวิธีการที่ถูกต้องนั่นเองดังนั้นถ้าเราต้องการผลนอกจากการศึกษาแล้วเราก็ต้องปฏิบัติแล้วถึงจะบรรลุถึงผลที่เราต้องการได้การศึกษานี้ก็เปรียบเหมือนกับการดูแผนที่ก่อนที่เราจะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราปรารถนาได้เราต้องรู้จากทางก่อนว่าจะ ไปทางใดอยู่ทิศเหนือหรืออยู่ทิศใต้อยู่ทิศตะวันออกหรืออยู่ทิศตะวันตกต้องเดินทางโดยรถยนต์ทางหลวงหมายเลขที่เท่าไหร่และต้องไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาที่ตรงไหนเราก็ต้องศึกษาก่อนหรือเอาแผนที่ติดตัวไปกําลรงพอเราออกเดินทางพอไปถึงทางเลี้ยวที่เราไม่ทราบว่าจะไปทางไหนเราก็ต้องเปิด ถ้าเราไม่มีแผนที่โอกาสที่เราจะหลงทางก็จะเป็นไปได้มากจะไจะไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการได้ดังนั้นในเบื้องต้นการศึกษานั่นจึงเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมก็ตามทางธรรมก็เพื่อที่จะพาให้เรา ไปสู่ความสุขที่ถาวรไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทางโลกก็เป็นทางที่จะพาให้เราไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขไม่เดือดร้อนไม่ไม่ลำบากไม่ยากแค้นกับการดำรงชีพแต่ความศึกษาทางโลกนั้นก็ทําได้เพียงดูแลรักษาอัตภาพชีวิตร่างกาย ให้อยู่ไปอย่างสุขอย่างสบายแต่จะไม่สามารถที่จะมาปกป้องหรือคุ้มครองรักษาความทุกข์ที่มีอยู่ในาจได้ครับเพราะว่าความรู้ทางโลกนี้เป็นความรู้แบบความรู้ท่วงหัวเอาตัวไม่รอดคือเวลามีความทุกข์นี้ความรู้ที่ความรู้ที่เราศึกษาในทางโลกนี้ จะไม่สามารถมาดับความทุกข์ใจได้ถึงแม้จะเรียนจบกิญยารีโทยกตตาเวลาที่ถูกความทุกข์ุมแล้วจิตใจจะไม่สามารถหาทางออกได้และก็จะหลงผิดทำลายชีวิตของตนได้อย่างที่ปรากฏเป็นขา่าววันนี้เมื่อเช้านี้ว่ามีพวม่วงโดยการโรงพยาบาล ถาตัวตายสันนิษฐานว่าเป็นปัญหาทางครอบครัวหรือจะเป็นปัญหาทางไหนก็ตามแต่ที่แน่นอนก็คือเป็นปัญหาทางใจทางจิตใจใจเวลามีความทุกข์มากบ้ากก็จะทุรนทุรายเลื่ยนโดนหาทางออกแล้วถ้าไม่มีแสงสว่างก็จะไป พราะหาทางออกที่เป็นทางทาลายชีวิตของตนเองและเป็นการซ้ำเติมความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจให้มีเพิ่มมากขึ้นไปอีกเพราะว่าความทุกข์ใจนี้ไม่ได้ดับตามไปกับความตายของร่างกายความตายของร่างกายก็เป็นเรื่องของร่างกายความตายของความทุกข์ภายในใจนี้เป็นเรื่องของธรรมะ ต้องเป็นเรื่องของพระอริยาาสัจสีทั้งนั้นถึงจะสามารถที่จะมาทำลายความทุกข์ภายในใจได้พระอริยสัจสีนี้เป็นธรรมะหรือเป็นความรู้ที่พระพุทธเจ้าเพียงพระ อ, องค์เดียวที่สามารถตัดสรู้ได้บุคคลธรรมดาอย่างพวกเรานี้จะไม่มีความสามารถเลยเวลามีความทุกข์ภายในใจ เราจะไม่รู้วิธีดับทุกข์อย่างถูกต้องเรามาักจะไปแก้ด้วยวิธีเพิ่มความทุกข์ <c oughs> เพิ่มขึ้นมาอีกความทุกข์ของพวกเราจึงไม่มีวันหมดไปแม้แต่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนกุญแจหรือเคล็ดลับของการดับทุกข์พวกเราก็ยังไม่สามารถปฏิบัติตามกันได้เพราะอานาจของความทุกข์ที่มีอยู่ในใจนี้ มันมีกำลังมากมากกว่าที่เราจะสู้กับมันได้ถ้าเราไม่พยายามสร้างพลังสร้างกำลังให้เกิดขึ้นไปภายในใจด้วยการศึกษาพระธรรมคำสอนอยู่เรื่อยๆแล้วก็นำเอาพระธรรมคสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติเราจะไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราได้เลยสำหรับผู้ที่ไม่สนใจไม่ ยินดีที่จะนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติก็จะถือว่าเป็นพวกที่โง่มากหรือว่าเป็นพวกที่หมดหมดทางช่วยเหลือเพราะว่ามีทางเดียวเท่านั้นที่จะดับความทุกข์ภายในใจของเราได้ก็คือการนำเอาพระธรรมคำสอนที่พระเจ้าได้ทรงตรัสรลนี้มาปฏิบัติกับเรา พระอริยสัจส์4ความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสร้นนี้มีอยู่4ประการด้วยกันคือ 1. ความทุกข์ใจ 2. ต้นเหตุของความทุกข์ใจ 3. ความดับของความทุกข์ใจและ 4. วิธีการที่จะดับความทุกข์ใจนี่เป็นความรู้ที่ไม่มีใครรู้มาก่อน ต้องเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะรู้ได้น่าเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถปฏิบัติแดับความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นมาภายในใจได้วกเราเวลา เ, ลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาภายในใจเราทำอะไรกันแทนที่เราจะหันเข้ามาดูใจเราว่าตอนนี้ใจเราทุกข์เพราะอะไรเรากลับไปดูข้างนอกเราไปดูปัญหาที่ทำให้เราทุกข์ใจ เช่นเป็นนี้ไม่สามารถที่จะใช้ใช้นี้ได้ไปทำผิดแล้วไม่อยากจะไปรับโทษก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาหรือความทุกข์ใจเกี่ยวกับบุคคลต่างๆบุคคลที่เรารักแต่เขาไม่รักเราเขาไม่ซื่อสัตย์กับเราเขาไม่อยากจะอยู่กับเราอย่างนี้ก็ทำให้เกิดความทุกข์ได้แล้วเราทำอย่างไรเราก็พยายามไปแก้ที่ข้างนอก คือไปแก้ที่คนที่เรารักถ้าเขาไม่อยากจะอยู่กับเราแล้วก็หาวิธีหวานลอ้อมขอล้องเขาเออหาสิ่งต่างๆมาล่อใจเขาเพื่อให้เขาอยู่กับเราต่อไปบางทีเขาก็อยู่บางทีเขาก็ไม่อยู่หรือถ้าเขาอยู่เขาก็อาจจะอยู่ไม่นานเดี๋ยวอีกไม่นานเขาก็อยากจะไปเราก็จะพบกับปัญหาเดิมๆอีก ปัญหาที่เราแก้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดไปได้เพราะว่าเราไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุก็คือใจของเราความจริงแล้วพระเจ้าทรงตรัสว่าความทุกข์ใจของเรานี้เกิดจากความอยากเกิดจากความอยากให้คนที่เรารักอยากให้เขาอยู่กับเราเป็นนานๆให้เขาดีกับเราเป็นนานๆ น, นี่เป็นความอยาก พอเขาไม่อยากจะอยู่กับเราเราก็เกิดความทุกข์ใจเวลาเขาไม่ดีกับเราเราก็เกิดความทุกข์ใจวิธีที่จะแก้นั้นเราต้องแก้ที่ความอยากของเราเราต้องตัดความอยากของเราให้ได้ด้วยการยอมรับความจริงความจริงนี้คืออะไรก็คือว่าไม่มีอะไรเที่มแท้แน่นอนพอเราทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอดีวันนี้ก็อาจจะ ไม่ดีในวันพรุ่งนี้ก็ได้รักกันวันนี้ก็อาจจะไม่รักกันในวันพรุ่งนี้ก็ได้อยู่ด้วยกันวันนี้พรุ่งนี้อาจจะจากกันก็ได้นี่คือความจริงที่ถ้าเราศึกษาและสามารถน้อมเอามาใช้กับความรู้สึกของเราใช้กับความคิดของเรามันก็จะกลายเป็นปัญญาขึ้นมาคือเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้อง เห็นว่าไม่มีอะไรเป็นเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงไม่มีอะไรจะให้ความสุขของเรากับเราไปได้ตลอดความสุขที่เราได้จากบุคคลต่างๆหรือสิ่งของต่างๆนั้นมักจะเป็นช่วง แ, แรกๆช่วงเรียกว่าเข้าใหม่ปามันมแต่พออยู่ไปนานๆเข้าความ ความหวานความชื่นความสุขก็จะกลายเป็นความทุกข์คลายเป็นความขมขึ้นมาเพราะว่าความรู้สึกนึกคิดของเราก็เปลี่ยนไปเวลาเราได้อะไรมมาใหม่ๆเราจะรู้สึกรักรู้สึกชอบรู้สึกยินดีรู้สึกมีความสุขแต่พอเราอยู่กับสิ่ง น, นั้นไปนานๆเข้าก็เกิดความจำเจขึ้นมาก็เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาได้ เรเกิดความเบื่อหน่ายแล้วความสุขที่เคยได้รับจากสิ่งนั้นหรือบุคคลนั้นก็จะหายไปจะกลายเป็นความรู้สึกไม่สุขเสียแล้วนั่นก็เป็นเพราะอารมณ์ความอยากความต้องการของเรานั้นเปลี่ยนไปตอนนั้นเราอยากได้เขามาแต่ตอนนี้อารมณ์ที่อยากจะได้เขามานั้นมันไม่ดีแล้วทีนี้มันกลับมีอารมณ์ใหม่ขึ้นมา อยากจะได้คนใหม่นี่ก็จะกลายเป็นปัญหาขึ้นมาพอเราอยากจะได้คนใหม่เราก็จะออกไปหาคนใหม่ข้างนอกบ้านพอคนเก่าเขารู้เขา้าเขาก็จะโกรธเขาก็จะเสียใจ <c oughs> ก็จะเกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้นมานี่คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนและความไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงสุขก็สุขเพียงเดียวเดียว สุกตอนแรกๆใหม่ๆเวลาได้อะไรมาใหม่ๆก็จะมีความสุขแต่นานวันเข้าไปความสุขนั้นก็จะค่อยจางไปแล้วก็หมดไปแล้วก็อาจจะเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาต่อไปได้แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มานี้ก็จะไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะจากเราไปเมื่อไหร่เขาจะอยู่กับเราไปนานสักเท่าไหร่ เราก็ไม่รู้วันดีคืนดีเขาก็หายไปก็ได้นี่คือสัจธรรมความจริงของชีวิตมีองค์ประกอบอยู่สามประการด้วยกันคือหนึ่งความไม่เที่ยงแท้แน่นอน 2. ความไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงมีความทุกข์มากกว่าความสุข 3. ไม่ใช่เป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริง นี่คือสิ่งที่เราต้องศึกษาให้มากๆถ้าเราอยากจะมาดับความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจของเราพอเรามีความเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่อยากจะได้อะไรเพราะรู้ว่าได้มาแล้วจะต้องทุกข์มากกว่าสุดเพราะว่าจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงจะต้องเกิดการพลาดพลาจากกัน จะต้องไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นของของเรานั่นเองดังนั้นเวลาเรามีความทุกข์ใจเราอยากไปแก้ข้างนอกเราต้องมาแก้ข้างนนในเช่นคนที่เรารักเขาอยากจะจากเราไปหรือเขาไม่รักเราแล้วเราก็ต้องมาสอนใจว่านี่แหละคือความจริงความจริงก็คือไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนรักกันในวันนี้ได้ ทุก น, นี้ก็ไม่รักกันได้หรือรักกันมาในอดีตพอมาถึงวันนี้ก็ไม่รักกันก็ได้เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้เราอย่าไปฝืนความจริงเรายอมรับความจริงดีกว่ายอมรับแล้วก็ทำใจเว่าเราอย่าไปรักเขาเลยเราอย่าไปอยากให้เขาอยู่กับเราเลยเพราะว่าเขาไม่อยากจะอยู่กับเราแล้วอยู่ด้วยกันไปก็จะไม่มีความสุข พอเราทําใจได้ล่าความอยากได้ความทุกข์ภายในใจก็หายไปแล้วเราก็จะหายไปอย่างถาวรต่อไปเราจะไม่คิดอยากจะรักใครอีกต่อไปไม่อยากจะให้เขารักเราไม่อยากจะให้เขาอยู่กับเราไม่อยากจะให้เขาดีกับเราแต่ถ้าเราต้องอยู่กับใครแล้วก็อยู่แบบใจเป็นกลางอยู่โดยไม่มีความอยากคืออยู่ด้วยกันได้ก็อยู่กันไป ถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้จะจากกันก็จากกันไ ป, ไ, ปไม่เป็นปัญหาไม่เป็นปัญหาอะไรอยู่ก็ได้ไปก็ได้นี่คือวิธีดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจถ้าเราไปแก้ภายนอกเราแก้ไปจนวันตายก็ไม่มีวันหมดสิ้นเพราะว่าแก้เรื่องนี้แล้วเดี๋ยวก็มีเรื่องใหม่มาให้แก้เรื่องใหม่ก็มีแก้เรื่องใหม่หมดก็มีเรื่องใหม่มาให้แก้อยู่เรื่อยๆแก้ไปจนวันตายก็ไม่มีวันสิ้นสุด เพราะว่าปัญหาเหตุของความทุกข์เหตุของปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกมันอยู่ที่ข้างในก็ ค, คือความอยากของเราความอยากของเราก็เกิดจากความโง่ของเรานั่นเองคือไม่มีความรู้ไม่มีความเห็นที่ถูกต้องไม่เข้าใจโลกนี้ว่าเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าโลกนี้ไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์กับเราที่จะให้ความสุขกับเราเราเราไปหลงคิดว่า สิ่งต่างๆในโลกนี้จะให้ความสุขกับเราจะอยู่กับเราไปตลอดแต่นี่เป็นความความหลงไม่ใช่เป็นความจริงถ้าเป็นความจริงแล้วต้องต้องเห็นอย่างที่พระพุท ธ, ทธเจ้าทรงเห็นทรงเห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นสาระประโยชน์กับชีวิตจิตใจของเราไม่มีอะไรให้ความสุขกับเรามีแต่จะให้ความทุกข์กับเราอยู่เสมอ มีอะไรเราจะต้องทุกกับสิ่งนั้นทันทีทุกวันนี้เราทุกกับอะไรเราก็ทุกกับสิ่งที่เรามีอยู่นี้สิ่งที่เราไม่มีเราไม่ทุกคนที่ไม่มีรถก็ไม่ต้องทุกกับเรื่องของการดูแลรักษารถคนที่ไม่มีบ้านก็ไม่ต้องมาทุกกับการดูแลรักษาบ้านถ่อนบ้านซ่อมบ้านคนที่ไม่มีสามีภรรยา ก็ไม่ต้องมาทุกกับเรื่องของสามีเรื่องของภรรยาคนที่ไม่มีลูกไม่มีหลานก็ไม่ต้องมาทุกกับเรื่องของลูกกับหลานแต่พอใครมีสามีมีภรรยามีลูกมีสมบัติมีข้าวของมีเงินทองก็ตอนนี้ก็จะมีความทุกข์กับสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเพราะว่าใจของเราไม่มีความเห็นที่ถูกต้องนั่นเอง พอเรามีอะไรก็เกิดความอยากขึ้นมาภายในใจทันทีอยากให้ดีไปเรื่อยๆอยากให้อยู่กับเราไปเรื่อยๆอยากให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆแต่นี่มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันไม่ดีไปเรื่อยๆมันไม่สุขไปเรื่อยๆมันไม่อยู่กับเราไปเรื่อยๆนี่คือวิธีแก้ความทุกข์ใจเราต้องมาแก้ที่ใจของเรา อย่าไปแก้ที่ภายนอกเวลาที่เราเกิดทางทุกข์ใจจนกระทั่งอยากจะฆ่าตัวตายขึ้นมานี้อย่าไปฆ่าตัวตายเพราะว่ามันไม่ได้ดับความทุกข์ภายในใจแต่มันจะเพิ่มวามทุกข์ภายในใจให้เปเพิ่มมากขึ้น เ, เพราะไม่มีใครอยากตายเวลาฆ่าตัวตายนี้จะเกิดทางทุกข์ใจมากกว่าความทุกข์ที่เราพยายามจะหนีจากมันไป ดังนั้นวิธีฆ่าตัวตายไม่ใช่เป็นวิธีที่จะดับความทุกข์ได้วิธีที่จะดับความทุกข์ะะดกได้ก็คือการทำใจยอมรับกับสภาพที่เกิดขึ้นกับเราสมมติเราสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยก็ไม่เป็นไรคิดว่าเรากลับมาเริ่มต้นใหม่เพราะว่าเวลาเราเกิดมาเราก็ไม่ได้มีอะไรติดตัวมาทำไมเราอยู่ได้ ทำไมเราจเจริญโตโ ต, ตขึ้นมาได้ตอนนี้เรายังมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่มีสติปัญญามีความรู้ที่เราได้ศึกษามาอยู่ทำไมเราจะหาใหม่ไม่ได้เราต้องคิดอย่างนี้สิ่งที่จากเราไปแล้วก็ถือว่ามันเป็นเหมือนความสันแรงตอนนี้เราตื่นขึ้นมาสิ่งที่เรามีอยู่เป็นอยู่นะี่มันเป็นความสั่นไป เราต้องอยู่กับความจริงตอนนี้เราไม่มีอะไรเราจาเป็นจะต้องทำอะไรเราก็ทำไปขิวข้าวจะต้องหาข้าวกินก็ออกไปหาไปทำงานอะไรก็ได้ไม่ต้องไปเลือกงานขอให้มีมีรายได้เพื่อที่จะมาจุนเจืออัตภาพร่างกายถ้าไม่มีที่ไปจริงๆก็มาทำงานที่รัด ก, ก็ได้ไปวัดไหนก็ได้มีงานให้ทำเยอะแยะไป ไปช่วยล้างช่วงไปช่วยทำความสะอาดศาลากุติวิหารเดี๋ยวพระท่านก็เมตตาให้อาหารกินเองนี่คนล้วคนเรามีทางออกไม่ต้องกลัวหรือถ้าว่ามันไม่มีทางไปจริ ง, รงๆไม่มีข้าวกินจริงๆจะต้องตายก็ไม่เป็นไรก็ยอมรับว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายอยู่ดีเราให้เป็นมหาเศรษฐีมีข้าวกินทุกวันทุกเวลาตามเวลา ตามความต้องการแต่นั้นก็จะมาถึงเวลาหนึ่งที่แม้แต่ห า, าเศรษฐีก็กินไม่ได้เวลาเจ็บค่ายได้ป่วยกินอะไรไม่ได้เลยต้องให้อาหารผ่านทางสายยาต่างๆให้ได้มากน้อยเพียงไรร่างกายมันก็ไม่ยอมรับอยู่ดีเพราะร่างกายนี้มันมีเวลาของมันเมื่อถึงเวลาแล้วมันจะไม่เอาอะไรมันจะตายอย่างเดียวเท่านั้น เมื่อถึงเวลานั้นต่อให้เป็นมหาเศรษฐีเป็นมหากษัตริย์เป็นนายกรัฐมนตรีมันก็อยู่ในสภาพแบบเดียวกับคนขอทานคนที่อดอยากคนที่ตายด้วยความอดอยากตายเหมือนกันเพราะนี่คือธรรมชาติของร่างกายของคนเราทุกๆคนเราต้องยอมรับความจริงอันนี้เพราะถ้าเรารับความจริงอันนี้ได้แล้วแม้แต่ความอดอยากขาดแคลน แม้แต่ความเจ็บไข้ได้ป่วยแม้แต่ความตายก็จะไม่สามารถมาทำให้ใจของเราทุกข์ได้ใจของเราทุกข์เพราะว่าไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากอดอยากขาดแคลงไม่อยากตายปัญหามันอยู่ที่ความไม่อยากหรือความอยากนี่ถ้าใจเราเฉยเฉยเมื่อถึงเวลาอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปเมื่อถึงเวลาจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ปล่อยมันเจ็บไป เจ็บที่ร่างกายไม่ได้เจ็บที่ใจใจเราไปหลงเจ็บกับมันเองความเจ็บของร่างของใจนี้เกิดจากอะไรก็เกิดจากความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปเรือเกิดจากความกลัวความเจ็บของร่างกายอันนี้ตัาหาที่ทําให้เกิดความเจ็บที่ใจที่เป็นความเจ็บที่ใหญ่หลวงกว่าความเจ็บที่ร่างกายแต่ถ้าเราสามารถทําใจ ห้ยอมรับความเจ็บของร่างกายได้แล้วความเจ็บของร่างกายนี้จะไม่เป็นปัญหาอะไรเลย<ม>เวลาที่เราไปหาหมอหมอยังไม่ทันฉีดยาเลยเพียงแต่บอกให้ฉีดเท่านั้นหมอว่าจะฉีดยาให้สักเข็มหนึ่งใจของเราเจ็บไปก่อนแนะปวดไปก่อนนะปวดเพราะกลัวความเจ็บแต่ถ้าเราไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวเข็มฉีดยาฉีดก็ฉีดไปไม่เป็นปัญหาอะไร พอฉีดก็ไปจริงๆก็ไม่เจ็บมากม า, กายกายก่อนเหมือนกับใจเหมือนกับใจเจ็บปัญหาของเราทั้งหมดนี้อยู่ที่ใจของเราเราต้องมาแก้ที่ใจของเราเราต้องทําใจของเราให้หยุดจากความอยากต่างๆให้ได้ถ้าเราหยุดความอยากได้แล้วรับรองได้ว่าใจของเราจะอยู่อย่างล่มเย็นเป็นสุขไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ตามจะเจริญด้วยวราบรรเสริญสุข หรือจะเสื่อมจากลาบยศสรรเสริญสุขก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะใจไม่ได้มีความอยากที่จะร่ำรวยอยากจะมีลาบอยากจะมียศอยากจะมีสรรเสริญอยากจะมีความสุขจากลูกเสียงกลินลดต่างๆเมื่อไม่มีความอยากแล้วเวลาสิ่งต่างๆเหล่านั้นจากเราไปมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะเราไม่มีความปรารถนาให้เขาอยู่หรือให้เขาไปเขาอยู่ก็ได้เขาไปก็ได้ ถ้าอยากให้เขาไปแล้วเวลาอยู่กับเขาก็เกิดความทุกข์ใจได้เหมือนกันเช่นเวลาอยากเวลาอยากจะตายแล้วร่างกายยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องตายก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้ดังนั้นเวลาอยู่ก็อยู่ไปอยาไปอยากตายเวลาตายก็อยาาไปอยากอยู่ให้ทำใจให้เป็นกลางให้รับกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ดฝนตกก็ได้แดดออกก็ได้ ลมพัด ก, ก็ได้ลมไม่พัด ก, ก็ได้พระอาทิตย์ขึ้นก็ได้พระอาทิตย์ตกก็ได้บางอย่างเราก็รับได้แต่ทำไมเรารับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ก็เพราะว่าเรายังมีความหลงหลอกเราอยู่หลอกให้เราเห็นว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นจะให้ความสุขกับเราอยู่พยายามเอาคาสอนของพระเจ้ามาสอนใจเสมอว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ให้ความสุขกับเรา มีแต่จะให้ความทุกข์กับเราทุกครั้งเวลาเราอยากได้อะไรเราต้องถามตัวเราเองว่าจําเป็นต่อการดำรงชีพหรือไม่คือถ้าไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้นี้แล้วเราจะตายหรือไม่ถ้าไม่ตายแล้วอย่าไปเอามาดีกว่าเพราะเท่ากับไปเอาไฟมาเผาใจเราเอากองทุกข์มาเหยียบย่มจิตใจของเราถ้าไม่จําเป็นแล้วอย่าเอามาเอาเท่าที่จาเป็น พระพุทธเจ้าสอนพระให้มีสมบัติเพียงแปดชิ้นเท่านั้นเพราะเป็นสมบัติที่สำคัญต่อการดำรงชีพให้มีผ้าสามผืนมีบาต1หนึ่งใบมีเข็มขัดรัดเ อ, ดเอวมีที่กรองน้ำมีใบมีดโกนแล้วก็มีเข็มกัดได้ไว้สำหรับปักเย็บจีวรถ้ามีเท่านี้ก็พอเพียงแล้วถ้ามีมากกว่านั้นแล้วไม่เป็นประโยชน์จะเป็นทุกข์มากกว่า ถ้าอยากจะได้อะไรที่มันเกินต่อการจำเป็นต่อการดำรงชีพหรือมีมากเกินความจำเป็นก็อย่าเอาถ้าเรามีปัจจัยสี่ครบถ้วนแล้วถือว่าเรามีครบทุกอย่างแล้วสามารถอยู่อย่างมีความสุขได้แล้วสิ่งที่เราขาดที่จะทำให้เรามีความสุขใจก็คือขาดธรรมะของพระพุทธเจ้านี่เองถ้าเราน้อมเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติแล้ว ต่อไปเราจะไม่มีความทุกข์เลยเราจะมีความสุขอยู่ตลอดเวลาตอนนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาแล้วทร ง, ท ร, งรูรร้มาแล้วทรงรู้ในพระอริยเศสสัจสีมาแล้วและทรงได้ปฏิบัติมาแล้วจนสามารถอยู่อย่างมีความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีความทุกข์เข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของพระพุทธเจ้าเลย นับตั้งแต่วันที่พระพุทธเจ้าทรงตัดเชื้ในวันเพ็ญเดือนหนี่คือธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พวกเราควรที่จะน้อมเอาเข้ามาศึกษาให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วนำเอาไปปฏิบัติเพราะเราจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตของเราได้หมดเลยชีวิตของเราจะไม่มีปัญหากับเรื่องอะไรอีกต่อไปเลยจึงขอฝากเรื่องของการมา วัดเพื่อมาศึกษาพระธรรมสอนของพระพุทธเจ้าที่เปรียบเหมือนแสงสว่างนำทางชีวิตของพวกเราให้ไปสู่ความสุขความเจริญให้ไปสู่ความสิ้นทุกข์ทั้งปวงได้อย่างถาวรให้ท่านได้นำเอาไปพิพจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา ยังขอยืดติดไว้เปลี่ยทนทนีีขอุนภศษีรัฐพนาใจและบุญกุศลที่ท่านได้มาบงเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นตัดใจให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแก้คลาดปลอภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้าการเธ อ, อ